สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิยาพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเปรียสูในเรื่องของการรับเกียรติย้อนบทที่สิบสามข้อสามสิบเอ็ดถึงข้อสามสิบสามโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเขาออกไปแล้วพระเยซูจึงตรัสว่าบัดนี้บุตรนมนุษย์ได้รับเกียรติแล้วและพระเจ้าทรงได้รับเกียรติ เพราะบุตรมนุษย์ถ้าพระเจ้าได้รับเกียรติเพราะพระองค์ท่านพระเจ้าก็จะทรงประทานให้พระองค์ท่านมีเกียรติในพระองค์ท่านเองและพระเจ้าจะทรงให้มีเกียรติเดี๋ยวนี้ลูกเอ๋ยเรายังจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายอีกขณะหนึ่งเจ้าเจาะสาะหาเราและดังที่เราได้พูดกับพวกยิวแล้วบัดนี้เราจะพูดกับเจ้าอีกคือที่เราไปนั้น เจาทั้งหลายไปไม่ได้พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวถึงขณะที่พระเยซูได้รับประทานอาหารร่วมกับสาวกของพระองค์และยูดาสเมื่อรับประทานอาหารชิ้นสุดท้ายที่พระเยซูให้กับเขาก็คือขนมปังขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนครับยูดาสก็ออกไป หลังจากที่ยูดาสออกไปนั้นพระเยซูก็ทรงอยู่กับสาวกของพระองค์ที่เหลืออีกสิบเอ็ดคนและพระเยซูก็นำสาวกของพระองค์นั้นเข้าไปสู่ฉากในสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดในพระวิหารก็คือเป็น holy of holy คือสถานที่ที่พระเยซูจะต้องเข้าไปเพื่อจะรับเกียรติโดยการตายของพระองค์นั่นเองพี่น้องครับ สถานศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าสถานที่บริสุทธิ์ที่สุด holy of holy นั้นก็พีก็คืออภิสุทธิสถานนั่นเองอภิสุทธิสถานนั้นเราพบอยู่ในพระวิหารครับชั้นในที่สุดเป็นสถานที่ที่ปุโรหิตจะต้องเอาเครื่องถวายบูชานะครับก็คือแกะเพื่อที่จะถวายบูชาลบบาปของประชาชนทั้งหลายการเข้าไปถวายบูชานั้น เข้าไปในสถานที่นี้ปีละหนึ่งครั้งครับด้วยเหตุนี้เองเราจะต้องคิดถึงภาพของพระเยซูเองผู้เป็นปุโรหิตเป็นผู้ที่นำเครื่องบูชาก็คือพระองค์เองอีกนั่นแหละนะครับพระองค์เป็นทั้งมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นทั้งเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์ที่สุดเป็นทั้งสองเป็นสัญลักษณ์เล็งถึงพระเยซูครับ และนี่คือสิ่งที่พระมุทีและพระเยซูตรัสถึงโปรงเองว่านี่คือเกียรติสูงสุดเป็นเกียรติยศสูงสุดของปุโรหิตหลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เข้าไปในสถานนมัส ก, การที่บริสุทธิ์ที่สุดก็คืออภิสุทธิสถานแห่งนี้พี่นังครับพระเยซู ก, กำลังตกเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปด้วยความสมัครใจของโปรงเองก็นับเป็นเกียรติยศ สองชั้นครับเป็นดับเบิลเกียรติยศที่โรร่งทรงเป็นและทรงกระทําอยู่แลบะบเกียรติพี่น้องครับแลกมาด้วยการเสียสละที่เจ็บปวดเพราะฉะนั้นมีน้อยคนนักนะครับที่คิดถึงการรับเกียรติด้วยการทนทุกรับเกียรติด้วยการเสียสละที่เจ็บปวดรับเกียรติด้วยการถูกข่มเหงถูกเคียนถูกตีรับเกียรติเมื่อถูกประทุษร้าย เพีครับเราจะเห็นถึงการรวมตัวขององค์พระมหากษัตริย์จอมเจ้านายที่ยิ่งใหญ่ที่ได้รับชัยชนะที่มีชัยชนะต่อความบาปต่อความตายที่มีชัยชนะต่อคำสาปแช่งทั้งหลายที่ตกเป็นของมนุษย์แต่บัดนี้ชัยชนะนั้นได้ตกเป็นของพระองค์ และพรรคพวกของโปรง์ก็คือเหล่าสาวกของโปรงและขึ้นชนก็คือประชากรของโปรงคโดยการขึ้นพชนของพระเยซูบนไม้กางเขนแล้วพี่น้องครับการเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าและพวกเราโดยผ่านการขิ้นพระชนบนแม้งเขนถือว่าเป็นเกียรติยศและเป็นชัยชนะสูงสุดที่องค์พระบุญเจ้าพระเยซูของเราได้ทรงกระทําเพื่อเรา และเราก็เห็นการรวมตัวของความเป็นมนุษย์ของพระเยซูก็เรียกว่า the son of man นะครับด้วยการถ่อมใจด้วยการยอมเสียสละพระชนชีพของพระองค์เองการรวมตัวของความเป็นมนุษย์กับความเป็นพระเจ้าของพระเยซูซึ่งถือว่าเป็น eternal godhead นะครับของพระเยซูบนไมกก้กางเขนนั่นเองนี่คือเกียรติยศสูงสุดที่ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูของเราได้รับพี่น้องครับการได้รับเกียรติยศสูงสุดขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูของเรานั้นโปรงสรงรับด้วยความถ่อมใจลงอย่างสูงสุดครับข้อจะนาของพระเจ้าที่ผมอยากจะยกมาเพื่อที่จะประกอบก็อยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สองข้อสิบเอ็ดพระธรรมฟิลิปปีบทที่สองข้อสิบอ็ดนั้นถือว่าเป็นหลักข้อเชื่อที่สําคัญที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ครับ ความจริงแล้วเราจะต้องอ่านตั้งแต่ข้อที่ห้าจนถึงข้อที่สิบเอ็ดนะครับแต่ผมจะอ่านเพื่อ เ, เน้นให้พี่น้องได้ยินในฝัังนะครับฟิสปีบทที่สองข้อที่ห้าจนถึงข้อสิบเอ็ดท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือ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 และเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้าพี่น้องครับในข้อสิบเอดนี้เพื่อชัดเจนนะครับเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้าพี่น้องครับการยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นจอมเจ้านายเป็นเจ้าเหนือหัวเป็นเจ้าชีวิตนั้นถือว่าเป็นการถวายเกียรติแด่พระบิดา แันนี่คือที่มานะครับว่าทําไมพระเยซูได้จัดที่นี่ว่าพระบิดาจะได้รับเกียรติเพราะเหตุพระองค์ในข้อ32ครับของยอห์นบทที่13กล่าวว่าถ้าพระเจ้าได้รับเกียรติเพราะพระองค์ท่านพระเจ้าก็จะทรงประทานพระองค์ท่านให้มีเกียรติในพระองค์ท่านเองนี่ครับคือสิ่งที่บันทึกไว้และสําเร็จตามที่พระเยซูได้จัด และตามที่อักขรูตเปาโลได้ยืนยันในฟิลิปปีบทที่สองข้อที่ห้าจนถึงข้อที่ทน้องครับชีวิตของพระเยซูนั้นได้มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วในการที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าและในขณะดึกกันพระองค์ก็รับเกียรติและเกียรตินี้เป็นเกียรติสูงสุดที่พระเจ้าได้ให้กับพระเยซูซึ่งเป็นพระบุตรของพระองค์และ เป็นเกียรติสูงสุดที่พระเยซูได้ถวายแด่พระบิดาเจ้าเี่นไหมครับการถวายเกียรติคืนแด่พระบิดาเป็นสิ่งที่พระเยซูกําลังทําการรับเกียรติสูงสุดของพระเยซูด้วยความถ่อมใจการรับเกียรติสูงสุดนี้พระเยซูถือว่าเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นการทําให้พระเจ้าพอพระทัยในพระเจ้านาพระเจ้าอีกตอนหนึ่ง สรุดีบทที่42ข้อที่1ได้กล่าวอย่าง น, นี้ครับว่าจงดูผู้รับใช้ของเราผู้ซึ่งเราเชิดชูผู้เลือกสรรของเราผู้ซึ่งใจเราปิติยินดีพี่น้องครับพระเจ้าพระบิดากัสว่าจงดูผู้รับใช้ของเราผู้ซึ่งเราเชิดชูผู้เลือกสรรของเราผู้ซึ่งใจเราปิติยินดีหมายถึงใครครับหมายถึงพระเยซูและรวมทั้งพวกเราทั้งหลายทุกคนด้วยพี่น้องครับวันนี้ พอจนาของพระเจ้าเตือนเรานะครับว่าน้อยคนนักที่คิดถึงการรับเกียรติด้วยการทนทุกพเยซูเป็นแบบอย่างของเราในการรับเกียรติด้วยการทนทุกพระเยซูรับเกียรติจากการทําอัศจรรย์มานานแต่นับแต่นี้เป็นต้นไปพระองค์จะรับเกียรติโดยผ่านทางซับฟริงก็คือการทนทุกข์ด้วยท่าทีแห่งการถ่อมใจ ของพระเจ้าซึ่งเป็น Son of Man ซึ่งเป็น Son of Sorrows, Suffering and Died ก็คือการยอมรับการทนทุกข์ด้วยความเศร้าอกเสียใจและความตายในที่สุดอาเมน